อ่าว่าไงค่ะก็ห<า>ีไหลูกหีใช่ไหมใช่ค่ะเขาที่แล้วอะค่ะที่หลวงตาให้กัดบ้านไปอค่ะที่ให้ให้ลองใช้ชีวิตแบบใช้ธาตุขันให้แบบเต็มสตรีม <laughs> เพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่ว่าทำแบบไม่ยึดติดอะค่ะคือตอนแรกหีก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงดีอะค่ะแต่ว่าเหมือนแบบ มันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเหมัอนยีถามตัวเองว่าทําไมเวลาแบบพอเป็นปัญหาของตัวเองอะคะ่ะแล้วมันเหมือนมันจะคิดไม่ค่อยออกแล้วแบบอืแต่พอเป็นของคนอื่นแล้วเหมือนเราเหมือนช่วยวิเคราะห์ให้เขาได้ช่วยแบบแนะนําให้เขาได้อะไรเงี้ยอ่ะหรือว่าอย่างแม้แต่เวลาช่วงนี่สมัครงานอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบบางทีมันก็ถูกเพราะว่าเราต้องแบบเขียนว่าเออเรามีคุณสมบัติแบบไหนที่จะ มาะกับงานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมัอนหยีก็เลยแบบลองพิจารณาแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆที่ปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นของเราอะค่ะคือเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นปัญหาของเรามันเป็นงานของเรามันเป็นตัวของเราหยีก็เลยลองทํางานโดยที่แบบตัดตรงนั้นออกไปอ่ะค่ะคือมองปัญหาเป็นเป็นก้อนปัญหาเฉยๆมองงานเป็นงานเฉยๆแล้วก็ทําไปอ่ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่า เออมันมันเบาขึ้นมากอะค่ะก็เลยไม่แน่าจะว่าอันนี้คือทําถูกหรือเปล่าค่ะแล้วหลวงหลวจะพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาปัญญานี้เนี่ยเคยดูหนังอีกิวซังไหมปัญญาอีกิวซังอะเฮ้เคยดูหนังอีซังไหมเออนี่หนูจะพ้นทุกข์ได้ได้วย ป, ญญเออเปัญญาหรอกเช่มองเชี่ยวมองใจสงบเวลามัมีปัญหาอะไรก็นั่งนั่งสมาธิเชี่ย่มองเช่มองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ตอกเออ ต้องต้องแก้ปัญหาในใจที่สงบนะปัญหาทุกอย่างน่ะในใจเราก็ต้องแก้ปัญหาในใจสงบทิศตอบทิศตอบปัญหาคนอื่นก็ต้องแก้ในใจที่สงบไม่ต้องกังวลอะไรมากไปหรอเรื่องงานเรื่องการนะก็สมัครไปเรื่อยๆ น, นะออ น, น่เออพ่อกับแม่กับนะหาไปให้ทังเยอะยายล้วไปกังวลอะไรแล้วก็สมัครไปกค่อยๆสมัครไปเออม่ต้องไปกันวนนงวลหลอบลงลูกายามถ้าใจมันดีแล้วเดี๋ยวอะไรไดีเองเออมี ตอนนี้ใจมันยังมันยังเหมือนพัวพันปัญหาอยู่เรายังไม่หลุดจากปัญหาคือเรายังเข้าใจเหมือนทําวิจินิพน์เนี่ยเรื่องทุกสาเหตุแห่งทุกข์เรื่องอริยมรรคคือทางแห่งความพ้นทุกข์วิธีปฏิบัติยังไงเข้าใจยังไงถึงจะพ้นทุกข์ได้แล้วก็เราพ้นทุกข์จริจริงออกจากปัญหาได้จริงออกจากความทุกข์ภายในใจเราได้จริง เรายังทำวิญยาณโพ้นเรื่องจิตเรื่องเรื่องธรรมเรื่องนิพพานไม่ขาดยังไม่จบเราเรียนจบแล้วแต่ยังทําวิญญานิพ้นเรื่องเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องนิพพานเรื่องอริยสัจสีคือทุกข์กับเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์กับมรรคกับนิโรจนมรรคนิโรจคือวิธีปฏิบัติวิธีเราจะเข้าใจอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราที่จะเข้าใจถึงเข้าถึงความจริงแล้วเราจะพ้นจากทุกข์ได้นั่นคือมรรคนิโรจ อันนี้คือวิญญา์ที่เราจะต้องทําในใจของเราเหมือนเหมือนกับยิ่งกว่าวินญญา์ที่ทําปัญญาเอกวิญญาณนิพนธ์ที่ทำปัญญาเอกเนี่นย เ, เ, เราทำปัญญาเอกจบแล้วก็ต้องม า, มางานมาทํางานแต่มาทํางานในทางโลกแลเสร็จแล้วก็ทํามาหาอยู่หากินแล้วสิ้นสุก็ตายไปไอ้ที่ทํางานทั้งหมดที่จบปัญญาเอกมาทั้งหมดความครัวชีวิตความไปอยู่เงินทองที่ได้มาจากจบจบทำวิญญาิญญาณปัญญาเอกมาทรัพย์สมบัติอี่ถูกมาก็เอาไปไม่ได้ตายแล้วก็ไปไม่ได้เป็นแค่ชั่วข่าวเป็นสมมติชั่วข่าวในโลกนี้ สำคัญที่สุดสสคือวิทยานิพนธ์ชีวิตเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยปัญญาเอกที่สําคัญที่สุดคือวิทยานพิพนธ์ชีวิตเราจะต้องทําวิทยานพิพนธ์ชีวิตให้จบให้ได้ภายในก่อนที่เราจะตายจะต้องจบวิทยานพิพนธ์อันนี้เป็นวิทยานพิพนธ์ชีวิตเลยคืออย่างอื่นน่เราจบทางโลกมาแล้วเรามาทํางานยังต้องทุกต้องเหนื่อยต้องทุกข์ยากลาบากแต่วิทยานพิพนธ์ชีวิตเนี่ยถ้าเราจบแล้วคนทุกข์พ้นการเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์ต้องไปร้องไห้อีก อนันตการไปกระดูกกองเท้าภูเขาลาวกาเราไม่ต้องไปเวียนวนอีกแล้วก็หายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปเป็นอมตะตลอดกาลอันนี้สําคัญที่สุดนะหนูต้องทำวิญญาณพนิจใจวิเคราะห์อยู่ตลอดเลยวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยพนิจใจว่าทําไมเราจึงทุกข์เหตุใดเราจึงทุกข์เหตุใดคนอื่นเขาจึงทุกข์เหตุใดเราจึงทุกข์เหตุใดคนอื่นจึงทุกข์เหมือนกันเราทุกข์คนอื่นก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนั้นแหะ คนอื่นเขาก็ย well, ึดเราไปยึดเหตุเราไหมเราจึงยึดเราก็วิเคราะห์ไปเอาทำไมเรายึดอะไรเป็นเหตุให้เรายึดเราก็วิเคราะห์เข้าไปวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยวิจัยว่าเรายึดอะไรเราจึงเป็นทุกข์และอะไรเป็นเหตุให้เรายึดเราหลงอะไรอยู่อะไรเป็นเหตุให้เราหลงต้องวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยออกมาจนทำวิญญาณผลได้วิทยานิพนธ์เรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องนิพพานแล้วก็อริยสัจสี แล้วก็หนูก็จะออกมาช่วยตัวเองให้ตัวเองพ้นทุกข์จริงๆเพราะว่าจบวิญญานก็เติดกับคนทุกข์และจะช่วยเหลือผู้อื่นได้คือวิญญาณิพของหนูนี่แหละที่พูดออกมาจากใจนี่แหละมันจะช่วยเหลือคนอื่นในคนทุกข์ได้เข้าใจไหมอันเนี้ยหนูไม่ต้องไปห่วงละงานทั้งนั้นเนี่ยเอางานนี้นจบด้วยแล้วงานก็ตา ม, มักไปแต่เมื่อลายที่ใจของหนูเนี่ยทำวิญญาณิพนธ์ภายในจยใจใจกัดติดจดจ่อจดจ่อกัดติดวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยกัดติดจดจ่อมัน่แตหล ตื่นมาก็วิเคราะห์วิจัยภายในจิตใจเราเนี่ยเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องนิพพานเนี่ยเราล้วก็วิเคราะห์เข้าวิเคราะห์วิจัยวิจัยว่าอะไรเป็นเหตุเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่ให้หลุดออกจากพ้นจากทุกข์ได้อะไรจึงเป็นนิโรธคือความดับทุ ก, กข์เราก็วิเคราะห์วิการเน่ยว่าทุกข์มันก็มาจากการยึดเรายึดอะไรแล้วอะไรเป็นเหตุให้เรายึดอืเราก็วิเคราะห์เข้า อะไรเป็นเหตุได้เรายึดเราจะพ้นจากเหตุที่เรายึดนั้นได้อย่างไรเราก็วิเคราะห์วิเคราะห์ในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นอาการของจิตเห็นอาการของยึดเห็นสภาวะที่เราเข้าไปยึดในสภาวะที่หลุดพ้นจากการยึดเราก็จะเห็นในจิตเราตลอดเวลาเราก็มาสามารถทำวิเอนิพลได้เราจะหลุดพ้นด้วยปัญญานะหยีเข้าใจไหมอันนี้เป็นหัวเลื่หัวต่อเลยของหนูตอนนี้เป็นหัวเลื่หัวต่อเพราะนั้นเสร็จแล้วหนูเป็นยางไงแล้วย่างอื่นจะดีไหมเองพุทธเจ้าตัดนะ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าเลิกดีมงคลดีอยู่ที่ใจดีถ้าใจดีแล้วทุกอย่างดีเองวะเลิกดีไม่ใช่เลิกผานาทีดีเรื่องดีอยู่ที่ใจดีมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสําเร็จแล้วที่ใจถ้าใจดีแล้วสําเร็จเองไงลุงดีเองเข้าใจไหมวิเคราะห์เขานะวิเคราะห์วิจัยก็ทําวิญญาณอิปนมาแล้วก็เบญโทรนี่ทำวิญญาณอิปนป่ะทำใช่ไหมเออแนึ่งก็ทําแบบเดียวกัน แต่อันนี้มนทาวิญญาณจิตใจของเราอันนั้นมันทำวิญาณิพลข้างนอกจบเราจะต้องมาเหนื่อยหา ง, งานทำเห็นไม อ, อ, อันนั้นนะวิญาณิพลข้างนอกต่อไปเรียนดอกเตรอร์เอ ก, ก็ต้องเหนื่อยแล้วมาหา ง, งานทาลูกศิษย์หลวงตามาเป็นดอกเตรอร์เต็มไปหมดเลยที่สุดแล้วหนีไม่พ้นทุกมาหลวงตาเป็นแถวหมดดอกเตอร์ยังมาหลวงตาเป็นแถวหมดเห็นที่บา้านพ่อน่เพราะเนี่ยทาด็อกเตรอร์มาก็ต้องไปพ้นทุก อ, อลวลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยโอ้จิตแพทย์เต็มเลย <c oughs> จิตแพทย์มีหน้าที่ช่วยคนอื่นอะหายทุกแต่จิตแพทย์มาหาล้มตาเต็มเลยอ้าวพอใจไหมนะอ้าวสงใจอะไรบางทีมันเหมือนตัวเองมันขัดกับตัวเองอยู่ข้างในอ่ะค่ะเหมือนที่แบบวันนั้นคุณแม่ก็พูดว่ า, ท, า, ท, าทั้งๆที่หยีเป็นคนชอบดูพวกแบบสารคดีการแพทย์ดูสารคดีเกี่ยวกับแบบความตายชอบดูเขาผ่าศพ ดูแบบควักเอาตับไตใส่ผมออกมาอยงี้ค่ะแต่ว่าแบบเราก็ยังเป็นคนแบบเหมือนรักสวยรักงามแล้วก็แบบติดยึดในร่างกายตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะแม่เขาก็เลยบอกว่าเออดูคือเหมืนอนเวลาหยีดูแบบนั้นมันก็มันก็โป่งนะคะคือมันก็เห็นว่าแบบเออจริงๆคนเราถึงแม้ ว, ว่าบางทีแบบเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะตายได้หรือว่าอะไรองี้ค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบ มันก็เลยเหมือนขัดกันอยู่ข้างในอค่ะถือก็พินานี้ด้วยพินาเนืทิฏฐาว่าเนี่ยวินายจากที่หนูวินาเขาพินานด้วยแล้วพินาที่ึงตาว่าต้องเช็ปัญญานะเช็ปัญญาวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยทําวิญญาณิพนธ์เกี่ยวเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกสมุทัยนิโรธมากแล้วเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องนิพพานเนจ๋งไหมลนะ่ะของหนูมันต้องใช้ปัญญาหลุดพ้นเพราะปัญญาหนูจะถ้าหนูไม่ใช่มันคงจะเป็นอย่างนี้เพราะว่า ถ้าหนูไม่ใช่ปัญญาหนูจะแชร์เ kind of <cji> มื่อไหร่ที่หนูไม่ไม่วิเคราะหวิจัยไม่ทำวิญญาณิพลภายในจิตใจหนูแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวหนูแชร์เลยแล้วหนูจะค่อยๆดาวลงซึมเศร้าลงจะค่อยๆซึมเศร้าลงนี่คือทางแก้ให้หนูเนี่ยทำวิญญาณิพลภายในใจของหนูเนี่ยติ้วตหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วติ้วตตลอดเวลายี่สิ่ชั่วโมงยกเว้นแต่หนู เราหลับไปตื่นทุกทำํำยีนิพนธ์เรื่องเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องนิพพานเรื่องทุกสมุทัยนี่โหลดมากเนี่ยทําไมมันจึงยึดยึดอะไรอะไรเป็นเหตุให้เรายึดเราจะหลุดพ้นจากการยึดได้อย่างไรเราจะดับเหตุแในการยึดได้อย่างไรก็วิเคราะห์วิจารณวิจัยวิเคราะห์วิจยัววจยวิชอ้อวิจัยทําำยีำนิพนธ์ในจิตใจแล้วจบแล้วเขียนหนังสือมาส่งลงตาพูดก็ได้พูดแต่เทปก็ได้เออพูดแต่เทปมาส่งลุงตาทำยีนิพนธ์ในลงตาตรวจทำยีนิพนธ์เนี่ยเออ มันอันนี้จะเป็นทางแก้ที่ทําให้หนูหายจากแช่อายจะจิตนิ่งเฉยแล้วก็ถ้าจิตนิ่งเฉยมันจะดูดเข้าไปซึมเศร้าเบื่อเซ็งกุ้มซึมเศร้าเบื่อเซ็งกุ้มท้อแท้หดหูสิ้นหวังมันจะดูดเลยอะถ้าเราปุ๊บไม่ทําวิทยาณไม่วิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยมันจะดูดเลยดูดถ้าไปนิ่งเฉยแล้วก็ที่สุดแล้วมันจะดูดเข้าไปให้เบื่อเซ็งกุ้มท้อแท้หดหูสิ้นหวังแล้วก็สุดท้ายก็ซึมเศร้าเข้าใจไหมล่ะเออต้องทำวิญญาณนะ อย่าลืมเอามาส่งด้วยพอช่วงที่ผ่านมาคือรู้เลยค่ะว่าตัวเองแบบท้อแท้แล้วก็ซึมเศร้าอันนี้เป็นเพราะว่ามันมันมันแชร่รอ่ ะ, ะ <S <S มันแช่ที่อยู่ใกล้พ่อไกลแม่แดิมจริงแช่อย่าเลยอยู่ข้างนอกอ่ะอืมผมไม่แช่หนูทำเรี่ยนในปวนแล้วไม่แช่แล้วไม่มีอะไรล้ว <S <S นะเอามาส่งอันเนี้ยสําคัญกว่าที่หนูไปเรียนไปแยกเอกในทางโลกอยู่อันเนี้ย น้อยคนที่ทําจบเวทีคนอันนี้น้อยคนที่ทำจบในโลกนี้พอจบแล้วเนี่ยไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นที่เคารพของเทพเจวดาอินพรมโยมยักษ์พระอินพระพรมยังเคารพกราบไหว้เลยพระมหมากรสัตว์เนี่ยยัเคารพกราบไหว้ราชการที่เก้าเนี่ยลงตาเห็นภาพเนี่ยกราบหลวปู่ฟันอาจาอาจโรที่ยืนถือไม้เท้าเนี่ยกราบประพื้นดินเลยก้มกราบที่ตาจรพื้นดินเลยเนี่ยเห็นไหมบุคคลธรรมดานะ แต่พอทำวิญญาณิผลไปแยกเรืเอเ่องชีวิตของเองจบแล้วเนี่ยคนทุกข์แล้วเนี่ยเห็นไหมขนาดในหลวงนี่ราชการที่เก้าเนี่ยยังโอ้โหก้มกราบถึงพื้นดินเลยแล้วก็เทพเดวราอินผมโยมด้าณ น, นาคุณบรรลุคนทานพระอินเพรผมกราบไหว้มนเนีะย น, นี่อันนี้ที่ว่าจะสาคัญเราทําิญาณเอกในโลกนี้กี่กบใบไม่มีใครกราบไหว้เราเราก็ไปกราบไหว้คนอื่ <laughs> แนแต่เรูทําปริญญาใบาเดียวสําคัญที่สุด นั่นนหละคือชีวิตปริญญาชีวิตเนาะ